เจริญธรรมยัตยมทุกคนทุกท่านขอให้ยัตยมจงเจริญสติสร้างความบ ร, รึกรู้การหายใจเข้าออของตัวเองให้ตัวเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งเสียกทํากายของเราให้สงบทํากายของเราให้สบายหายใจของเราให้เป็นธรรมชาติที่สุดสร้างความบ ร, รึกรู้สัมผัสท้องลมหายใจเข้าออของตัวเราให้ตัวเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งเสียก่อนฟังไปด้วย โน้มระลึกรู้สัมผัสทองลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจ ม, มูกของเราสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆสักเที่ยวสองเที่ยวกายก็รู้สึกว่าสบายขึ้นความรู้สึกสัมผัสทองลมที่วิ่งเขา้าวิ่งออกก็จะเด่นชัดนั่นแหละให้เราพยายามทําความเข้าใจแล้วก็สร้างความระลึกรู้เกี่ตรงนี้ตั้งกต่ตื่นขึ้นมาทั้งแต่ยังมีลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็ สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกปุบทันทีตั้งแต่ตื่นขึ้นความระลึกรู้ตัวก็จะตั้งมั่นขึ้นพวกเราเรียกกันว่าสติแล้วก็พยายามรู้ให้ต่อเนื่องส่วนมากองคนเราจะเป็นนึกไปคิดเอาว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนั้นเป็นสติปัญญาของสมมุติทั่วไปแต่สติปัญญาที่จะเข้าไปทําความเข้าใจกับจิตเราต้องสร้างขึ้นมาความระลึกรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้น เราก็สร้างให้ต่อเนื่องเรารู้จักเอาไปวิเคราะห์เอาไปสังเกตการเกิดการดับของจิตของความคิดของอารมณ์ทำความเข้าใจมองหาหนทางอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรคนเจริญอะไรคนละเราต้องมันวิเคราะห์สำรวจตรวจตาดูเราตลอดเวลาทุกขณะคิดทุกขณะลมหายใจเข้าออกศรัทธาของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเสียสละความอดทนอดลัน้นเรามีสัจจะ เรามีความเพียรในการทําความเข้าใจเรารู้จักละความโลภรู้จักละความโกรธรู้จักให้อภัยจะทานมองโลกในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาปักไปในบุตสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเพียงแค่คิดตั้งแต่เรื่องของความคิดคิดดีก็เป็นบุตรคิดในทางที่ดีอะไรที่เป็นอกุศลเราก็ไม่คิดแล้วก็คิดตั้งแต่ในทางกุศล อกุศลเราก็ละสูงขึ้นไปอีกเราก็ไม่ให้ยุดเป็นการคิดด้วยสติด้วยปัญญาให้จิตของเรารับรู้แต่เวลานี้จิตของเรายัางเกิดยังส่งออกไปภายนอกอยู่ทั้งหลงด้วยหลงความคิดหลงอารมณ์ถ้าเรายังแยกไม่ได้เราก็รู้ว่าเราไม่หลงถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเราหลงถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังในขันห้า เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความคิดเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายการหายใจเข้าออกนี้เราก็หายใจอยู่ตั้งแต่เกิดนั่นแหละแต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวเฉยๆเราก็เลยปล่อยลมหายใจของเราทิ้ง มีตแต่การไปไฝ่ว่าเอาของภายนอกไปยึดเอาอันโน้นบ้างยึดเอาอันนี้บ้าทั้งที่ก็ไม่มีสาระเป็นสารอร่อยแต่พวกเราก็ไปยึดไปยึดเอาในส่วนลึกๆ ก, ก็มายึดตัวตนนี่แหละมายึดอัตตาตัวตนท่านถึงว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักมันทำอย่างไรเราถึงจะปกถึงจะวางขันห้าตรงนี้ได้เราก็ต้องมาสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาเจริญสติมาสร้างปัญญาเพื่อที่จะรู้ให้ทัน และจิตของโลไปยึดมั่นได้อย่างไรลักษณะของจิตจิต ท, ที่สงบจากกิเลสสงบจากความยึดมัน่นถือมั่นเป็นอย่างไรจิต ท, ที่คลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามถ้าเราแยกได้คลายได้นี่แหละเราถึงจะปองถึงจะหว่างได้ถึงจะรู้จุดปองจุดปล่อยจุดหวางได้ทุกคนก็มีบุญแล้วก็มีวาสนามากทีเดียวถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาอยู่แล้วอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติทำกันมากอด ปฏิบัติทำกันอยู่ในระดับหนึ่งผ่านการผ่านเวลาเชืสละได้รับการศึกษาได้รับการเรีเรยนมีความอดทนอดกลั้นรู้จักให้อภัยทานอคสิกรรมมีพรหมวิหารอาจจะมีมากมีน้อยทำสมมุติอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์จนสมมุติของเราอยู่ดีมีความสุขอันนี้ก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่ง ส่วนระดับที่จะเดินปัญญา <S <S เข้าไปทําความเข้าใจเราต้องน้มกายของเราเข้ามาสร้างน้อมเข้าไปดูรู้อยู่ในกายของเรารู้ลมหายใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายรู้การเคลื่อนไหวของกายดอกไฟหน้าก็รู้การเกิดของจิตรู้การเกิดของความคิดกับกิจเข้าเข้าไปร่วมกันจะเป็นชั้นของไข่ชั้นของมันอยู่รู้จักทําความเข้าใจกับกิเลสกิเลสยาบหยาเป็นอย่างไรกิเลสความโลภความโกรธความเทยเยือทยานหยาความหลงเป็นอย่างไร เราต้องคลายความหลงให้ได้หรือว่าโมหะเราต้องสร้างความระลึกรู้ตัวเข้าไปสังเกตจงกว่าจิตของเราจะคลายออกแยกความคิดออกจากอารมณ์ความหลงถึงจะคลายถ้าเราแยกรูปแยกนามได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้รู้ด้วยเห็นด้วยทำความเข้าใจได้ด้วยได้รับความสงบเยือกเย็นนั้นด้วยนี่แหละจะเป็นบุคคลที่เข้าวัดตลอดเวลาอยู่บ้านก็เป็นวัด ดูที่ทํางานก็เป็นวัดออกกายเป็นวัดทำจิตให้เป็นพระมันจเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยมไปบ่อยเราก็จะมีความสุขเราก็จะได้รับการฟังธรรมะพระองค์ตลอดเวลาตากระทบรูปเราก็ได้ฟังธรรมะหูรกระทบเสียงเราก็ได้ฟังธรรมะลูปรถกลิ่นเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังเราก็ห้ามไม่ได้เราก็ต้องทําความเข้าใจ แล้วก็ทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าท่านทําอย่างไรเราถึงจะอยู่กับสมมุติพวกนี้อย่างอยู่ดีมีความสุขเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะได้ปั๊บเราต้องค่อยศึกษาค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มันสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นเรามันชําระสะสารกิเลสของเราตลอดเวลาจนไม่เหลืออยู่ในจิตของเราแม้แต่นิดเดียว แม้ตแต่ดนความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาแม้ทแต่ในอยากจะรู้ทำแม้ตแต่อยากคิดเราก็ดับนอกนั้นเป็นความต้องการของสติของปัญญาเข้าไปทําหน้าที่แทนเอาไว้ที่หลังตัวข้างหลังขอให้ทุกคนรู้จักการสร้างความบริึกรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ได้เช่นกันสังเกตและลึกรู้การหายใจเข้าออกให้เกิดความเคยชินและลึกรู้ความปกติของจิตรู้ความปกติของจิต รู้ไม่ทันตั้งแต่ต้นเหตุก็รู้จักดับผูจ้จะควบคุมเอาไว้ถ้าเรามั่นสร้างสติถ้าเราไม่เจ็บคล้านเราคงจะรู้ปัญญาตัวขั้นสูงได้ส่วนมากเราไปนึกไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอ่านไปได้ยินได้ฟังได้อ่านนั้นก็เป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นเองบุคคลที่จะเข้าถึงได้ต้องเป็นบุคคลที่ทําความเข้าใจแล้วก็ละออกจากกิจเกศของเราให้มันหมดคนที่มีสติมีปัญญารู้จัก ช่งทางแล้วก็จะไปเร่งทำความเพียรมันวิเคราะห์ตัวเรามันวิเคราะห์จิตของเราหาเครื่องตัดสินสร้างเครื่องตัดสินให้มีให้เกิดขึ้นเครื่องตัดสินก็คือความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเราไม่เข้าข้างคนอื่นนั่นแหละคือเครื่องตัดสินรู้ไม่ทันนั้นแต่ต้นเหตุเราก็รู้จักดับใช้สมถะเข้าไปดับดับแล้วก็สังเกตใหม่เริ่มใหม่เริ่มอยู่บ่อยๆอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยกิเลส ก, ก็เล่นงานเรา เพียงแค่เราว่าจะเริ่มจะฝึกหัดปฏิบัติเขาก็รุมเล่นงานเราแล้วกิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติปุ๊บดรกก็จะได้ปับ๊บมันไม่ใช่เหมือนกับเราปลูกคนละหมากลากไม้น้ามันรดน้ำมันพรวนดินถึงวันละถึงเวลาก็เติบโตขึ้นมาเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ได้การปฏิบัติจิตก็เหมือนกันน้ามันชาร ะ, ะสสารกิเลสออกจากจิตใจของตัวเรา มันแก้ไขมันปรับปรุงอะไรลักษณะของนามมาทำเป็นอย่างไรลักษณะของรูปธรรมเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอร่อยสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องการละทุกข์การดับทุกข์สอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรความว่างเป็นอย่างไรจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรถึงจะมีความสุขนี่แหละต้องพยายาม มันไปว่ามันศึกษามันทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าจิตของเราสงบลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกรตบปลายจมูกของเราไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดคิดอยู่แต่คิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาแต่เวลานี้จิตของเรามันส่งออกไปส่งคิดออกไปคิดเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างท่านถึงบอกให้ดับให้แยกให้คลาย ให้ทำความเข้าใจแล้วละตัวปัญญานี่แหละจะเป็นตัวคิดแท น, นก็ต้องพยายามก่อนนะเอาตั้งความระ ล, ลึกรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันสักพักร ะ, ระยะหนึ่งก็ยังดีนะทำจิตของเราให้โล่งสมองให้โปร่งกายให้สบาย